พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่านัติสันติปรังสุขขังแปลว่าไม่มีความสุขันใดในโลกนี้ที่จะเหมือนหรือจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอพวกเราจึงมีความทุกข์กันอยู่เรื่อยเพราะเราไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวที่มีความทุกข์ตามมานั่นเองเวลาที่เราได้ลาบยุศสันตะเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลตัปพา เราก็ดีอกดีใจกันมีความสุขกันแต่พอเวลาที่เราเสียราบยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นลดผดพ้กันเราก็ร้องห่มร้องไห้กันเสียอกเสียใจกันเพราะเราไม่คิดกันไว้ก่อนไม่รู้กันไว้ก่อนว่าราบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดและเราจะไม่มีวันรู้ว่าความสุขที่แท้จริงที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอด ที่จะไม่มีความทุกข์ตามมานั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ต้องทุกข์กับ ความสุขชั่วคราวเวลาที่มันหมดไปแต่ชาตินี้เป็นชาติที่เราโชคดีที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งค้นพบความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง ซึ่งเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันหายจากเราไปนี่คือโชคของพวกเราที่ได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางที่ได้เริ่มต้นใน การพูดในวันนี้ว่านัตติสันติปรังสุ ข, ขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นวิธีสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจนี้เองไม่ได้ให้เราทำอะไรให้เรามาสร้างความสงบของใจกันให้เรามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็จะไปหาความสุขที่จะให้ความทุกข์กับเราและเป็นความทุกข์ที่จะไม่มีวันหมดเพราะจะเราจะหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายและหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ยังจะกลับมาหาความสุขแบบนี้อีก เราจะกลับมาเกิดใหม่กันอีกแล้วก็กลับมาทุกข์กับการหาความสุขแล้วก็กลับมาทุกข์กับการสูญเสียความสุขที่หามาได้เราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเราก็จะหาความทุกข์ไปเรื่อยๆโดยที่เราคิดว่าเรากําลังหาความสุ ข, ขกันเพราะเราไม่หาความสุ ข, ขแบบที่ไม่มีความทุกข์กันดังนั้น ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทํากันก็คือให้เราหยุดการหาความสุข ทางเงินทองหยุดหาความสุขจากการหาลูกเสียงกิริลดโพธพภอหยุดความสุขจากการหาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่หาอำนาจวาสนาหาอะไรต่างๆอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ เราต้องเลิกวิธีการหาความสุขแบบเก่าแล้วมาหาความสุขแบบใหม่กันด้วยการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้เราเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขกันเพราะมันจะทำให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ ก็ไม่พอเพราะความสุขที่เราซื้อจากยันทองนี้พอได้มาแล้วมันก็หมดไปหมดไปเราก็ต้องซื้อใหม่เราก็ต้องเติมอยู่เรื่อยๆเติมไปจนวันตายเติมไปจนวันแก่เติมไปจนไม่สามารถที่จะเติมได้หาได้พอเวลาหาไม่ได้เติมไม่ได้ เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจกันให้เราหยุดการหาความสุขด้วยเงินทองถ้าเรามีเงินทองเหลือใช้เกินต่อความจำเป็นที่เราจะต้องมีเงินทองที่เราต้องมีก็เงินทองที่ไว้สำหรับเลี้ยงดูปากท้อง คือซื้อพวกปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายซื้ออาหารซื้อเครื่องนึง่งห่มซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยให้กับร่างกายเงินทองส่วนนี้เราก็ต้องมีส่วนถ้าเรามีมากกว่านี้แล้วเราเอาไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆกันเงินทองส่วนนี้เราไม่ควรที่จะ เอาไปซื้อความสุขกันเราจะเก็บไว้สำรองก็ได้หรือถ้าเราอยากจะเอาไปทำบุญทําทานก็ได้ขอให้เราอย่าไปใช้เงินตามความอยากกันเพราะมันจะใช้มากแล้วมันจะทําให้เราต้องไปหาเงินมากแล้วมันจะทําให้เราไม่มีเวลา มาสร้างความสงบให้กับใจนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการมีเวลามาสร้างความสุขทางใจกันอย่าเอาเวลาไปซื้อไปไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆด้วยเงินทองเพราะมันเป็นการ หาความสุขปลอมเป็นการหาความทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีเวลาที่เราจะไม่สามารถหาได้แล้วเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปให้เอาเวลาที่เราใช้กับการไปหาเงินหาทองเอาเวลาที่ไปใช้กับการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆมาหาความสุข มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจการจะดีกว่าการที่เราจะสร้างความสุขความสงบของใจได้เราต้องหยุดกิจกรรมทางการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องม า, าละเว้นการหาความสุขทาง ตาหูจะหมุกวิ่นกายกันเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างความสงบให้กับใจสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, กันถ้าเราไม่ยุติไม่ละเว้นการหาความสุขทางตาหูจะหมุกวิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบหาความสุข ที่เกิดจากความสงบของใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำเอามาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขแบบที่พวกเราหากันอยู่ในขณะนี้ทรงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสองทรงมีประสาทสามฤ ด, ดู เป็นพระราชโอรสมีพระราชทรัพย์ของพระราชโอรสมีบริษัทมีบริวารที่มาคอยให้อำนวยความสุขความสะดวกต่างๆแต่วันหนึ่งพระ อ, องค์ทรงสเสด็จออกไปนอกพระราชวังและทรงไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวช ผู้แสวงหาความสุขทางใจพระ อ, องค์จึงเกิดความฉุกคิดขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมาเพราะทรงเห็นว่าพระสังขารร่างกายของพระ อ, องค์นี้สักวันหนึ่งก็ต้องแก่เหมือนกับคนแก่ที่ได้ทรงเห็นสักวันหนึ่งก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่พระ อ, องค์ได้ทรงเห็นและจะต้องตายเหมือนกับคนตายที่พระ อ, องค์ได้ทรงเห็นพระ อ, องค์ก็เลยทรงเห็นว่าความสุขที่พระ อ, องค์กำลังเสพอยู่ในขณะนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปแม้จะเป็นพระราชรส มีพระราชอำนาจมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของพระองค์ได้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปจะต้องทุกต้องทรมานเพราะจะไม่สามารถหาความสุขอย่างที่กําลังทรงหาได้ในขณะนั้น แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นนักบวชผู้แสวงหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้พระราชทรัพย์ความสุขที่ไม่ต้องใช้ต่งางกายเป็นเครื่องมือหาความสุขคือการหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการไปปรีกวิเวก อยู่ห่างไกลจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าอยู่ใกล้ก็จะไม่สามารถที่จะหยุดการหาความสุขทางร่างกายได้นั่นเองจึงต้องหนีไปอยู่ในป่าในเขาสถานที่ห่างไกลจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ มาทำใจให้สงบได้พระองค์หลังจากที่ได้ทรงเห็นเทวูต ท, ทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชพระองค์จึงเกิดมีดวงตาเห็นทางสู่ความดุดพ้นจากความทุกข์เน ก็เลยสะละราชสมบัตยิยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยุติการหาความสุขด้วยการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆแล้วก็ไปปรีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาอยู่แบบนักบวชคือถือศีลบรยสุด คือไม่คือไม่หาความสุขทางร่างกายศีลของนักบวชก็คือการละเว้นหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรารู้จักกันในรูปแบบของศีลแปหรือศีล2องที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านถือกันอันนี้เป็นศีลที่จะยับยั้งไม่ให้ใจไปหาความสุข ทางตาหูจมูกร่างกายกันเช่นผู้ที่ถือศีลแปดก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้จะไม่สามารถหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตแบบไม่มีเวล่ำเวลาได้ อาจะรับประทานก็รับประทานเพื่อเยียวยารักษาร่างกายซึ่งรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็ก็พอเพียงต่อการเยียวยารักษาร่างกายหรือไม่เช่นนั้นก็สองครั้งแต่ไม่ให้เกินเวลาเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการสร้างความสุขทางใจ มาสร้างความสงบทางใจเพราะถ้ายัางรับประทานอาหารข้ามอาหารเย็นอยู่ก็จะต้องเสียเวลากับการมารับประทานอาหารก็จะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําใจให้สงบกันเวลาที่จะทําใจให้สงบก็จะมีน้อยลงแล้วถ้าหลังจากรับประทานอาหารข้ามแล้วยังออกไปเที่ยวต่อ ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆสถานบันเทิงต่างๆหรืออยู่บ้านก็หาความสุขจากการดูภาพยนตร์ดูละครดูอะไรต่างๆฟังอะไรต่างๆเวลาที่จะเอามาใช้ในการทำใจให้สงบก็แทบจะไม่มีเลยเพราะกว่าจะเสร็จจากการบันเทิงก็อยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน แล้วก็นอนบนเตียงใหญ่ๆผูกหนาๆเพื่อนอนให้สบาย จ, จะได้นอนนานๆ น, น, นอนไปถึงสว่างเลยถ้าเราไม่ถือศีลแปดกันนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้เลยนี่คือ เหตุของการที่จะต้องถือศีลแปดสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบทางใจจำเป็นจะต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายไปถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะมีเวลาหลังจากรับประทานอาหารถ้าถือถ้ารับประทานหนเดียวยิ่งจะมีเวลามากขึ้นอีก เพราะถ้าอย่างฟ้านี่รับประทานอาหารชันมือเดียวชันเช้าเสร็จแล้วก็ปฏิบัติทำต่อได้เลยถ้าไปอยู่คนเดียวนี่ไปบินธบาตกลับมาชันนี่ประมาณ8ปดโมงเก้าโมงก็เสร็จธุระเรื่องของการขบชันไนดะ้หลังจากนั้นก็สามารถปฏิบัติทำไปได้จนถึงเวลานอนคือประมาณสี่ทุ่มเลย ตั้งแต่เก้าโมงไปถึงสี่ทุ่มก็สิบสามชั่วโมงเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้อ่านหนังสือธรรมะบ้างก็ได้สลับกันไปถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราปฏิบัติกันวันละสิบห้านาทีวันละครึ่งชั่วโมงปฏิบัติไปอีกร้อยชาติ1000ชาติมันก็ไปไม่ถึงไหนถ้าเหมือนลองน้ำฝนก็เหมือนลองน้ำละอองฝนฝนที่ตกมาเป็นละอองให้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีลองยังไงก็ลองไม่ได้น้ำเพราะมันจะละเหยไปหมด ก่อนที่มันจะอามารวมตัวกันเป็นน้ําให้เรากักเก็บได้แต่ถ้ามันตกทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันจะท่วมเลยดูภาคใต้ที่น้ําท่วมก็เพราะว่า <c oughs> น้ํามันตกฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนน้ํามันจึงมามากมาใหายกองอส่วนที่มีแต่ละองฝนนี่ เป็นที่มีแต่ความแห้งแงล้งเวลาจะตกก็ตกเป็นแบบและอองตกมาไม่หยดหยดสองหยดพอตกถึงดินมันก็แห้งไปหมดแล้วดินมันดูดน้าไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติแบบชั่วครั้งชั่วคราวเวละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ดีไมด่ดีอาจจะไม่ได้ทุกวันเสียได้ซ้าไปวันดีคืนดีก็ อยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแบบนี้มันไม่มีวันที่จะได้ผลถ้าต้องการปฏิบัติอย่างได้ผลเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างพระปฏิบัติท่านปฏิบัติกันอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหลานตัสาวกท่านปฏิบัติกันท่านฉันมือเดียวท่านบิณบาต ตอนเช้าออกบิณฑบาตพอสว่างหกโมงช้าก็บินทบาตเจ็ดโมงก็กลับมาฉันแปดโมงก็เสร็จละเก้าโมงก็บินก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงเวลาบ่ายก็ปัดกวาดลานวัดกันเสร็จแล้วถ้ามีน้นําปานะก็ดื่มกันนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ส่งน้ําส่งน้ําเสร็จก็ออก เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปบางวันถ้าครูบาอาจารย์เรียกประชุมก็ไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ฟังธรรมก็ประมาณสองชั่วโมงประมาณหกโมงเย็นถึงสองทุ่มกว่าหกโมงกว่าหรือทุ่มประมาณสองทุ่มแล้วสามทุ่มก็กลับมาที่ปฏิบัติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ จนถึงเวลาพักสี่ทุ่มห้าทุ่มพักสี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสองตีสามก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงสว่างถึงเวลาออกบินทบาทนี่คือตารางของการสร้างความสงบของนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพท่านเอาเวลาทุกเวลานาที มาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวท่านจะไม่ยอมเสียเวลาให้กับกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากกิจกรรมที่จำเป็นที่นานๆอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเช่นกุฏิชำรุดต้องซ่อมหลังคาหลังคารั่วหรืออะไรที่จำเป็นจะต้องทำก็ทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อย่างสาลาหนังนี่มันเก่ายัางไงมันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้เหมือนไปไม่มาคิดว่าจะสร้างใหม่สร้างให้มันเสียเวลาไปเปล่าสร้างใหม่มันก็ได้ที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันหลังเก่ามันก็หลบแดดหลบฝนได้หลังใหม่มันก็หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันไม่เสียเวลาหรือมันทิ้งแล้วมาสร้างใหม่ทำไม แตเมื่อมันยังใช้ได้อยู่นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติจะระมัดระวังคือจะควบคุมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ให้มันเข้ามาเหยียบย่าทาลายกิจกรรมของการปฏิบัตินี่คือทำไมเราจึงต้องมารักษาศีลแปดกันแล้วการรักษาศีลแปดมันก็จะทำให้เรา เวลาปฏิบัตินี้ไม่ง่วงเหงาหานอนเพราะเราจะรับประทานพอประมาณไม่รับประทานมากเกินไปถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความง่วงเหงาหานอนเกิดความเกียดค้านเวลารับประทานอิ่มแล้วนี้จะหาหมอนจะไม่หาทางจงกลมจะไม่อยากเดินจงกลม อยากจะหาหมอนหาที่นอนกันแต่ถ้ารับอาหารพอประมาณมันก็จะไม่ง่วงเมื่อเวลาเดินจงกรมมันก็เดินได้อย่างกระฉับกระเฉงไม่รู้สึกว่วงนอนไม่รู้สึกขี้เกียจนี่คือวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ทําให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้ทำให้ท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านจึงเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็เหมือนท่านเมื่อก่อนท่านก็เหมือนเราเมื่อก่อนท่านก็หาความสุขแบบที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าก็มีพระประสาสัมฤดูย้ายประสาทหน้าร้อนก็อยู่ประสาทเรือฤดูร้อนหน้าฝนก็อยู่ประสาทเรฤดูฝน หน้าหนาวก็อยู่ปราสาทกอดูหนาวหาความสุขทางร่างกายอย่างสุดๆเพราะมีฐานะมีพระราชทรัพย์ที่จะสามารถหาความสุขแบบสุดๆได้พวกเราก็เหมือนกันรเรามีเงินทองมากน้อยเพียงไ ร, รงเราก็ทุ่มเทให้กับการหาความสุขทางร่างกายกันตลอดเวลาเราจึงมัก เราจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจกันมาหาความสงบทางใจกันเพราะเราไม่มีอะไรคอยกระตุ้นไม่มีอะไรคอยเตือนเราเรามีแต่ความหลงคอยหลอกคอยล่อเราให้ไปหาความสุขปลอมกันนานๆพวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งแล้วได้มาได้ยินได้ฟัง พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของจ่ายกันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์จะไปไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดี จะไปดื่มไปรัประทานอาหารที่ไหนดีร้านอาหารไหนอร่อยอร่อยอยู่ไกลขนาดไหนก็สามารถที่จะเดินทางไปได้แม้จะเป็นความสุขช่วปีอุปดาบก็ยังอุตส่าห์ทนนั่งขับรถไปรถติดตามท้องถนนก็อดทนเอาเพื่อให้ได้ไปถึงร้านอาหารที่มีอาหารอันอร่ออร่อย ที่พอรับประทานเสร็จความสุขที่ได้จากการรับประทานมันก็หายไปแล้วก็ต้องนั่งกลับนั่งรถกลับบ้านติดรถอยู่บนท้องถนนอีกแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะดีกว่าอยู่บ้านดีกว่ากินข้าวในบ้านข้าวที่มันกินแล้วเบื่อจำเจก็อยากจะไปหาอาหารแปลกๆว่ารับประทานกันนี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเรา เพราะเรามีความสามารถหาความสุขแบบนี้กันนั่นเองเรายังไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากความสงบได้ถ้าเราสามารถเราก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านก็สามารถนั่งสมาธิได้นั่งทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเรานั่งไม่เป็นเรามีกำลังไม่มากพอการจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมันก็จะยาก กว่าการไปนั่งสมาธิในวัดหรือในสถานที่สงบสงัดวิเวก <Yeah. S 1> เพราะถ้าเรานั่งที่บ้านจะมีรูปเสียงเกลีดลดต่างๆมาคอยหลอกล่อเราอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วถ้าใจของเราไม่มีกำลังพอจะต่อต้านต่อสู้เราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเห็นเขารับประทานอาหาร <Yeah. S 1> เขาชวนเรารับประทานอาหาร เดี๋ยวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เขาดูละครบางเขาหัวเลาะก็กล้าจากการดูภาพยนต์ดูละครเรานั่งพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธมันไม่มีกำลังเดี๋ยวมันก็นั่งไม่ไหวมันก็จะไปนั่งดูละครนั่งดูอะไรกับเขาต่อแต่ถ้าเรามีกำลังมีสติมากสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธได้ ถึงแม้ว่าจะมีอะไรรอบข้างกําลังทําอะไรอยู่ถ้าเรามีกําลังมากพอเราก็สามารถนั่งสมาธิของเราไปได้ทําใจของเราให้สงบได้แต่กว่าจะมีกําลังแบบนี้มันต้องออกไปปีกเว่ยๆก่อนไปสร้างกําลังขึ้นมาก่อนเหมือนสมัยนี้เราไม่มีกําลังกายเราทําไรเราก็ไปสถานพิจเนตกัน ไปออกกำลังกายกันเพื่อให้เรามีกำลังกายที่จะทำอะไรต่างๆได้พอเรามีกำลังกายแล้วเราก็อยู่บ้านทำอะไรได้ทำเองได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราต้องไปปีกเว้วไปบวชกันไปถือศีลแปดกันนี่ก็เพื่อไปสร้างกำลังของสติที่จะมาควบคุมใจให้สงบ ให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองแต่เราไม่มีเวลาทำกันเพราะเราไม่มีอะไรมาคอยเตือนใจไม่มีอะไรมาชวนเราไปปฏิบัติทำกันมีแต่ความหลงมาคอยชวนเราให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพื่อนถูงกี่คนกี่คนโทรศัพท์มาก็จะชวนไปเที่ยวกัน ชวนไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนานๆจะมีใครสักคนมาชวนไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมกันแล้วถึงแม้เขาจะมาชวนเราก็ไม่อยากจะไปอยู่ดีเพราะคิดถึงการที่เราจะต้องไปถือศีลแปดไปอยู่ตามลำพังในป่าในเขานี่ก็ทำให้เรานนี้หวาดกลัวขึ้นมาแล้วกลัวความ ความว่างเปล่ากลัวความว้าเหวกลัวความเหงาเพราะเวลาที่เราอยู่คนเดียวนี่มันจะเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวขึ้นมานั่นเองอันนี้หละคือเป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเราไม่สามารถเข้าหาความสงบได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับ ความรู้สึกที่เหงาที่ว้าเหวเวลาที่เราอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับเราสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้สู้กับความรู้สึกที่เหงาที่ว้าเหวนี้ก็คือสติเราสามารถสร้างสติได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ขอให้เราพยายามสร้างกันขึ้นมาเถอดวิธีสร้างสติก็ง่ายๆให้เราลำเลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจตั้งแต่เราตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมที่เราต้องทำตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าน้ำหน้าล้างตาแปรงฟัน อาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเราก็สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้คอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเพราะถ้าไปคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เราต้องไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านั้น เวลาที่เราไม่ได้ทําเราก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราสามารถเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่ได้เรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงกิจกรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้เราก็จะไม่รู้สึกมีความว้าวเวรู้สึกมีความหงุดหงิดลำคาญใจ แล้วเราก็จะสามารถไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปปีกวิเวกได้ก่อนที่เราจะไปถือศีลแปดแล้วไปปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เ, เราต้องมีกำลังของสติชุดลากเราไป แล้วก็มีปัญญาของพระพุทธเจ้าคือเราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาพระธรรมคำสอนได้ตลอดเวลาได้ทุกขนทุกแห่งซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติเพื่อทำใจของเราให้สงบแทนที่เราจะฟัง เแทนที่เราจะฟังข่าวฟังเรื่องราวว่าบอคอแตกต่างๆเรามาฟังธรรมกันดีกว่าฟังธรรมแล้วมันจะตกใจของเราให้เรามีความยินดีในธรรมจะทําให้เราเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดฉันทะเกิดจิตตวิมังสาคือเกิดอิทธิบาสี <Yeah. S 1> ถ้าเรามีอิทธิบาสีนี้ ใจของเราจะเป็นใจที่มีพลังถ้าเป็นรถก็เหมือนรถเติมน้ำมัน95แบบแล้วมันจะมีกำลังมากกว่ารถที่เติมด้วย91การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการปลุกใจให้เกิดมีพลังที่จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติธรรมดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญควรที่จะสร้างการเป็นประจำทุกวัน ก่อนที่เราจะไปสู่การปฏิบัติแบบ เ, เต็มรูปแบบเช่นไปปลีกเวเวกอยู่ครั้งละสามวันห้าวันเจ็ดวันเราควรที่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันของเราและเราควรที่จะหาเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันวันละครั้งสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้เวลาที่เราจะฟังเพลงก็เปิดธรรมะฟังเวลาที่เราจะฟังข่าว เราก็เปิดธรรมะฟังกันเวลาที่จะดูละครก็เปิดธรรมะฟังกันดูธรรมะกันดูหนังสือธรรมะกันไปแล้วเราก็จะได้มีอะไรคอยเตือนใจคอยสะกิดใจเราว่าตอนนี้เรากำลังหาความทุกข์กันนะเราไม่ได้หาความสุขกันเพราะความสุขที่เรากำลังหากันในขณะนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปแล้วความทุกข์ก็ตามมาต้องไปหาความสุขใหม่เพื่อมาดับความทุกข์ที่ตามมาความสุขที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปความทุกข์ใหม่มันก็ตามมาอีกมันจะตามมาอยู่เรื่อยๆความทุกข์แบบมันจะตามมาอยู่เรื่อยๆกับความสุขแบบนี้เพราเป็นความสุขที่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวนั่นเองความสุขที่เราได้จากลาบยศสละเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพาพนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวมาเสมอเราจึงมักจะทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะเราไปหาความสุขแบบนี้นั่นเองเป็นความสุขที่มีความทุกขนะ์ติดตามมาเราไม่ไปหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ติดตามมากันก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสติการเจริญปัญญานี้เอง ก้นต้นก็เจริญสติในชีวิตประจําวันของเรามันบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเวลาที่เราคิดทํากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นการอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากสามารถบริกรรมพุทโธได้ พยายามบริการพุโทโธไปพุโทโธไปอย่าคิดถึงนูน่นคิดถึงนี่เลยคิดแล้วมักก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเราวิตกกังวลไปต่างๆนานาไม่เกิดประโยชน์กับใจถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธนี้จะทำให้ใจว่างใจเบาใจเย็นใจสบายมีกำลังที่จะไปทำงานทำการขณะที่ทำงานถ้าต้องใช้ความคิดมากก็หยุดบริการพุโทโธได้ ก็ใช้ไม่ให้มีสติอยู่กับการคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันว่าไปคิดถึงเรื่องการไปเที่ยวการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆคิดอยู่กับการทำงานได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าให้มันคิดไปในทางกิเลสตัณหาเป็นอันขาดคิดการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคิดการไปหาความสุขจากการาไป ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้ไปเป็นเป็นนั่นเป็นนี่มาอย่าให้มันคิดคิดแล้วมันจะเกิดความหิวโหยความดินน้นรนความร้อนรนทำให้ไม่มีความสุขแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกมากังวลกับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปอยู่ดีให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธ โทรไปถ้าถ้าทำงานก็คิดอยู่กับเรื่องงานไปเวลาถ้าเราไม่ได้คิดอะไรใจอยู่เฉยๆก็หยุดพุทโธก็ได้พุทโธนี้ก็เป็นเหมือนเบรกรถยนต์เวลารถไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกพอรถมันไม่ไหลเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้แต่พอมันรถมันจะไหลอีกเราก็เหยียบอีกฉันได้ความคิดก็เหมือนกันถ้าความคิดของเราคิดไปในทางกิเลสตัณหา เราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดนะแล้วถ้ามันหยุดคิดมันไม่ได้คิดไปในทางกิเลสตัณหาเราก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันคิดไปในทางธรรมคิดว่าวันหยุดนี้จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีจะไปทำบุญที่ไหนดีอย่างนี้ก็ปล่อยมันคิดไปถ้าคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันคิดไปได้ ถ้าคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เ, าเห็นอะไรก็เบื่อไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีปล่อยมันคิดไปแต่ถ้าคิดว่าโอ้ไอ้นั่นกด็ดีไอ้นี่ก็ดีอ ย, ดน อ, นอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ถ้าคิดอย่างนี้คิดผิดคิดหงไม่คิดไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้มันดีทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราว ดียังไงมันก็เปลี่ยนได้จากดีมันก็กลายเป็นไม่ดีได้เวลามันมีมันก็ดีเวลามันหมดมันก็ไม่ดีให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เบื่อกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะได้ไม่อยากจะหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะอยากไปหาความสงบกันเอาเวลาที่เราไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไปใช้กับการหาความสงบกันจะดีกว่าพอเรามีกำลังมีสติมีปัญญาพอที่จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวได้เราจะไม่รู้สึกเหนาไม่รู้สึกว้าเวเพราะการปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจาวันนี้มันยังปฏิบัติได้ไม่ไม่มากพอแต่มันพอสำหรับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติอย่าง อย่างจริงจังก่อนที่เราจะปฏิบัติอย่างจริงจังได้เราต้องหัดปฏิบัติที่บ้านก่อนในชีวิตประจำวันของเราก่อนในที่บ้านที่ทำงานเราต้องฝึกสติฝึกปัญญาให้จิตพุทโธพุทโธไปแล้วปัญญาก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมแทนที่จะไปดูละครไปฟังเพลงไปหาความสุขทางหูทางตาจาก รูปเสียงกเ่นรถก้ามาฟังเทศฟังธรรมมอ่านหนังสือธรรมะกันเพราะอ่านหนังสือธรรมะแล้วจะทำให้เราเกิดปัญญาหูตาสว่างจะเห็นว่าเรากําลังอยู่วุ่นวายกับการหาความทุกข์กันเราไม่ได้หาความสุขกันความสุขที่เราหามันเป็นความสุขปลอมเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยปลาที่ไม่ฉลาดเป็นเห็นเหยื่อ มันก็คิดว่ามีเหยื่ออย่างเดียวมีเนื้อมีชิ้นเนื้อติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าคบแล้วก็จะก็จะอร่อยแต่มองไม่เห็นตะขอเบ็ดที่มันติดอยู่กับเหยื่อพอตะคุเบเหยื่อเข้าไปมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากตอนนั้นแะมันก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาความสุขต่างๆที่เราหาจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสารเสริญนี่มันก็เป็นเหมือนที่ติด เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดดีนีนี่เองพอได้มาพอได้ฮุบเหยื่อแล้วก็หวานอร่อยแล้วพอพอตัวตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเข้าที่ก็ปวดเลยเจ็บเวลาความสุขนั้นกายสิ่งที่เราได้มามันหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้รู้ว่า เรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังหาความสุขหรือเรากําลังหาความทุกข์กันอยู่พอเรารู้ว่าเรากําลังหาความทุกข์กันอยู่เพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าหาพระพุทธเจ้าเคยหามาแล้วแล้วก็เลืิกหาแล้วพอรู้แล้วว่ามันเป็นการหาความทุกข์แล้วก็ส่งเปลี่ยนวิธีการหาความสุขในรูปแบบใหม่ด้วยการไปถือสีลแปดซื้อสี่สิบสีลสองร้อยบเจ็ด แล้วก็จเจริญสติควบคุมความคิดตลอดเวลาทำใจให้สงบให้นิ่งตลอดเวลาและเวลาถ้าเผลอกิเลสมีโอกาสโผล่ขึ้นมาความอยากมีโอกาสโผล่ขึ้นมาก็ใช้ความจริงมาสู้กับมันใช้เหตุใช้ผลดูซสว่าการทำตามความอยากแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแะน่มองให้มันยาวๆอย่ามองแค่สั้นๆถ้ามองสั้นนีมันจะเห็นแต่ความสุขนะ อยากได้อะไรพอได้มาแล้วโอ้ยดี อ, อกดีใจกันมีความสุขกันแต่เพราะสิ่งที่เราได้มาหายไปหรือเสียไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรามองไม่เห็นกันเพราะเราความหลงมันจะไม่ให้มองเราเรามองยาวมันจะให้เรามองแค่สั้นๆมองแค่ตอนที่เราได้มันมาเท่านั้นแต่มันไม่ให้เรามองตอนที่เราต้องเสียมันไปน เราก็เลยถูกความหลงหลอกให้เราหาความทุกข์กันเพราะว่าของที่เราได้มาเดี๋ยวเราก็ต้องพัดภาคจากกันเวลาพัดภาคจากกันมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้องใช้ความรู้ที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจพวกเราอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรากําลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกัน เราต้องเปลี่ยนวิธีเราต้องหาเราต้องเปลี่ยนวิธีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปลี่ยนวิธีเมื่อก่อนท่านก็หาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยพอท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายขึ้นมาท่านก็เห็นแล้วว่าต่อไปจะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญได้ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ หาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาคอยสอนใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเอาปัญญาคือความจริงเอาเหตุเอาผลมาสอนใจให้เห็นโทษของการ หาความสุขตามความอยากเพราะมันไม่ได้เป็นการหาความสุขมันเป็นการหาความทุกข์เวลาเกิดความอยากนี้ยังไม่ทนได้อะไรใจก็ทุกข์ไปแล้วอยากได้อะไรใจก็เริ่มกังวลกวาวกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางทีทนไม่ไหวถึงกับจะต้องไปจุดทูกเทียนขอพกขอพระวุ่นวายกันไปหมดเพื่อใจจะได้สงบ พราะว่าอย่างน้อยคงขอพระแล้วต้องได้แน่ๆถึงจะนอนหลับเนีย่ยนอนไม่หลับเพียงแต่อยากยังไม่ทันได้มันก็ทุกข์แล้วแล้วพอได้มาเดี๋ยวมันก็ทุกข์ได้มามันก็รักมันก็หวงของที่ได้มันก็กลัวจะหายอีกได้อะไรมาแล้วก็กลัวจะหายความกลัวจะหายมันก็ทุกข์อีกแล้วแล้วเวลามันหายจริงๆก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เนี่ยเป็นการหาความทุกข์ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นการหาความสุขเลยถ้าเราทำตามความอยากวิธีจะให้เรามีความสุขก็คือเราต้องไม่ทำตามความอยากเพราเราเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ตั้งแต่ต้นถึงปลายเราก็หยุดมันไม่ทำตามมันพอเราไม่ทำตามมันใจก็กลับเข้าสู่ความสงบใจก็เบาสบายมีความสุขแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีก ถ้าเราทำตามความอยากตัวนี้โผล่มาแล้วเดี๋ยวตัวใหม่ก็ตามมาอยากได้กระเป๋าพอได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวอยากได้รองเท้าแนละ้วอยากได้รองเท้าอยากไปเที่ยวแล้วสิมีเสื้อผ้าใส่มีกระเป๋าสวยๆมีรองเท้าสวยๆใส่ก็อยากไปโชว์แล้วสิก็อยากไปเที่ยวอนะีกมันก็มีความอยากตามมาเรื่อยๆทุกรูปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันเดินเข้าคิวมากัน เนี่ยเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ความอยากมันหมดไปหรือยังเราตอบสนองความอยากมากี่กี่ครั้งแล้วกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วมันหมดหรือยังมันไม่มีวันหมดมันมีแต่จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราไม่ตอบสนองมันต่อไปมันเสียใจมันจะไม่มามันจะกลับไปเหมือนคนมาขอเงินเราเนี่ยถ้าไม่ให้มันเดี๋ยวมันไม่มาหรอกถ้าให้มันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาใหม่ แต่ถ้ามันมาวันนี้ไม่ให้มันพวกนี้มาก็ไม่ให้เดี๋ยวสองสามวันมันก็ไม่มาแล้วมาทีไรก็ไม่ได้ทักทีไม่รู้จะมาทำไมความอยากก็เป็นแบบนี้เราอยากไปทำตามมันถ้าทำแล้วเราก็จะต้องตอบสนองความอยากใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องมาทุกกับการทำตามความอยากกันแล้วได้ของมาก็ทุกกับของที่เราได้ เพราะเราก็จะรับจะหวงจะห่วงแล้วพอมันเสียหรือมันหมดไปแล้วก็เสียอกเสียใจนี่คือการใช้ปัญญาเวลาที่เราเกิดความอยากหลังจากที่เราได้พบกับความสงบคือพบกับความสุขที่เกิดจากการเจริญสติแล้วแต่ยังเป็นความสุขที่ยังมีความอยากจะมาคอยทำลายอยู่ตอนนั้นพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญา มันถึงจะตายอย่างถาวนก่อนที่เราจะใช้ปัญญาไนดะ้เราต้องมีความสงบก่อนมีความสุขก่อจากความสงบก่อนไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ปัญญามาหยุดความอยากทำไมเพราะถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นเองเราก็ต้องทำตาม อย่างพวกเรานี่ยพอเกิดความอยากนี่มีการต่อรองไหมไม่มีการต่อรองเลยเพราะเราไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบมาต่อรองกับมันนั่นเองแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี่พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะต่อรองกับมันได้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันการทําตามความอยากหรือการอยู่กับความสงบอันไหนจะดีกว่า เราก็จะเห็นว่าการอยู่กับความสงบนี่มันดีกว่ามันสบายกว่าไม่ต้องทำอะไรทําใจให้เฉยๆทําใจให้สงบต่อไปใจก็ไม่ต้อง ก, กังวลกังวยกระสับกระสายถ้าเกิดความอยากปับ๊บก็จะเกิดความกังวลกังวยขึ้นมาทันทีเราก็จะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบทาให้ใจของเราทุกข์ให้วุ่นวายเราก็จะไม่ทาตามมันฝินมัน พอเราฝืนมันไม่ทําตามมันเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้มันก็มันก็หยุดไปพอมันหยุดใจแล้วก็กลับสู่ความสงบต่อไปแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่านี่แหละวิธีที่จะรักษาความสงบก็คือต้องฝืนความอยากทุกรูปแบบใจของเราจะได้สงบไปได้ตลอดต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมันก็จะหมดไปเพราะทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง เมื่อมันได้รับการตอบสนองมันก็ไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาทำไมมันก็หายไปเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้านี่ทุกครั้งถ้าติดถ้าอยากจะดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ถ้าไม่ดื่มไม่สูบเดี๋ยวต่อไปมันก็หายไปความอยากสูบอยากดื่มดื่มโซลามันก็จะหายไปหรือการอยากเที่ยวกันเหมือนกันทุกครั้งที่อยากจะเที่ยวถ้าไปเที่ยวมันก็จะไปเที่ยวต่อไปเรื่อย แต่ทุกครั้งที่อยากจะเที่ยวแล้วไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่มีความอยากไปเที่ยวเองนี่คือธรรมชาติของความอยากถ้าจะทำลายมันต้องทำลายด้วยการไม่ทำตามความอยากถ้าจะส่งเสริมมันถ้าจะหล่อเลี้ยงให้มันจเจริญเติบโตก็ต้องทำตามความอยากแล้วรับรองได้ว่ามันจะมีอายุยืนยาวนานเนี่ยมันมีมันมากับเราคู่กับเรามาไม่รู้กี่ล้านปีละใจของเรานี้ไม่ได้ตาย ใจของเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล่างล้านแล้วที่มาเปลี่ยนก็เพราความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเปลี่ยนกันเพราะเรายังอยากมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนั่นเองแต่พอเราตัดความอยากเราได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมามีร่างกายเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายไปทําไมเมื่อไม่มีความอยาก ก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนก็มีแต่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่พระนิพพานคือใจที่สงบสุขไปตลอดใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจนี้เราเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่สถานที่เหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่ แต่เป็นสถานภาพของใจใจของพวกเราตอนนี้เป็นใจที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะมีความอยากมีความโลภความโกรธความหลงเราเรียกวี่ใจของเราว่าเป็นใจวัฏจักรใจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ใจของผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆอยู่นี้เราเรียกว่านิพพานใจที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือใจ ของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายและก็จะเป็นใจของพวกเราถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติและได้ส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือให้เราเลิกหาความสุขทางลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบ ด้วยการรักษาศีลของนักบวช ด, ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนถึงเวลาหลับไม่มีทํากิจกรรมอย่างอื่นนอกจากกิจกรรมที่จะทาใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าเราทําอย่างนี้ได้พระนิพพานา ห, หรือความสงบความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างแน่นอนภายในพบนี้ชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายท่านก็ได้พระนิพพานภายในพบนี้ชาตินี้เช่นเดียวกันท่านไม่ต้องรอไปทําต่อในพบต่อต่อไปเพราะท่านทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างไม่หยุดไม่ย่อนผลมันก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดไม่ย่อนจนถึงผลที่เต็มขั้นผลที่สูงสุด ผลที่สูงสุดผลที่เต็มขั้นได้มาแล้วก็หมดหน้าที่ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปใจก็สบายไปตลอดไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่านาถสันติบาลังสุ ข, ขัง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะมุ่งไปสู่การสร้างความสุขอันนี้เมื่อเราสร้างเราก็จะได้ความสุขอันนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลถ้ามีเหตุคือการสร้างผลก็คือความสงบของใจมันก็จะตามมา มัไม่ได้ว่าอยู่ที่เป็นพระหรือเป็นนักบวชหรือไม่เป็นพระไม่เป็นนักบวชนีเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญมีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพบกับความสงบของใจได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ถ้ามีเหตุคือมีการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาผลคือความสงบของใจก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ไม่สาคัญสมัยพระพุทธการมีการสร้างมีการได้รับผลเกิดของความสงบทางใจในสมัยปัจจุบันถ้ามีเหตุคือการสร้างผลคือความสงบของใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกัน จึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไปตับไปกับการกับเวลามีประสิทธภาพมีประสิทธทิผลเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยขอให้เราเพียงแต่สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลนิขึ้นมาเท่านั้นถ้าเรามีเหตุแล้วผลมันก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 ใครมีปัญหาใครอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีจะให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากคุณพัฒนาพงศ์ผมขอกราบเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสีนแ8ครับ สี่ข้อสามแค่สัมผัสกายไม่มีจิตเพื่อความใคร่ผิดหรือไม่ครับยังไม่ผิดละ่ะต้องร่วมหลับนอนกันถึงจะเรียกว่าผิดแต่เขาไม่ให้แตะเนื้อแตะต้องตัวกันเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะลามเดี๋ยวมันจะห้ามไม่อยู่อ่าั้นให้อยู่ห่างๆกันเหมือนไฟกับ น, น้าน้ำมันอย่างงี้อย่าให้มันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวใกล้กันแล้วมันจะปะทุขึ้นมาแล้วจะดับไม่ได้ จึงไม่ให้แต่เนื้อต้องตัวกันแต่ยังไม่ผิดยังไม่ถือว่าผิดแต่เป็นการเริ่มเข้าสู่ความผิดแล้วยันอย่าไปอย่าไปเริ่มอย่าไปเรื่อแล้วเดี๋ยวมันลุกแล้วจะดับไม่ทันสี่ข้อหกงดกินอาหารนับตั้งแต่บ่ายโมงได้หรือไม่ครับได้ถ้าจําเป็นจริงๆก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้กินน้อยๆก็แล้วกันอย่าสวาปาม กินพออยู่กินพอให้มันหายหิวนะสีลข้อเจ็การงดเว้นการประทินผิวด้วยของหอมการขับกล่อมโดนตีการใส่เครื่องประดับสร้อยแหวนนาฬิกาการแต่งทรงผมด้วยเจลการดูทีวีผิดหรือไม่ครับผิดหมดนะพวกนี้ทำไม่ได้เลยสีลข้อแปดใช้ผ้านวมปูนอนผิดหรือไม่ครับคือให้นอนบนเพื้นแข็ง เพื่อจะได้นอนไม่สบายจะได้นอนไม่นอนมากถ้ามันพื้นมันแข็งจะปูผ้าปูเสื่อบางๆก็ได้แต่อย่าให้มันหนามันนุ่มแล้ว น, น, นอนมันสบายแล้วอยากจะนอนต่อให้มันพอลุกพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากจะนอนพอมันแข็งลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่า ส่วนการบูชาชุดสังฆทานผ้าไตรจีวรจากวัดด้วยเงินสดแล้วนำมาถวายใหม่ซ้ำได้หรือไม่ครับสมควรหรือไม่ครับอันนี้มันก็แล้วแต่จะว่ากัน <c ười> คือยกนี้บางคนก็ขี้เกียจก็เลยเอาง่ายๆอยากถวายสังฆทานแล้วก็เข้าใจคำสังฆทานว่าผิดไป คิดว่าคําว่าสังฆทานคือของที่มันใส่กระแป้งเหลืองๆอย่างนี้เราก็ถวายพระเรียกว่าเป็นสังฆทานอันนี้ก็ไม่ใช่แลวความหมายของสังฆทานก็คือถวายของให้กับส่วนกลางส่วนรวมไม่ได้ถ่ายถวายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดของที่จะถวายเป็นสังฆทานนี้เทียนเล่มหนึ่งก็ถวายได้ผ้าจีวรนผืนหนึ่งก็ถวายได้ เรื่องเงินทองก็ถวายได้เลยไม่ต้องไปซื้อก็แลงมาเวียนกันให้มันเป็นเหมือนกับการเล่นยิเกไปถวายเงินให้เป็นส่วนกลางของวัดไปเพื่อปฏิสังขรณ์เพื่อจ่ายค่าน้าค่าไฟหรืออะไรต่างๆอนี้ก็เรียก่าเป็นสังฆทานละคือเป็นการให้แก่ส่วนรวมถ้าให้แก่บุคคล น, นี้เรียกว่าบุคคลิกทาน ยิ่พระเจ้าทรงเน้นว่าการถวายสังฆทานมีประโยชน์มากกว่า บ, บุคลิกกับบุคคลก็เพราะบุคคลนี้มีอายุสั้นไม่เกินแ0 9สบปีก็ตายแต่ส่วนรวมนี่มันจะมีตัวตายตัวแทนกันมีพระมาบวชกันอยู่เรื่อยๆพระแก่ตายไปพระหนุ่มก็มีมาบวชเข้ามาใหม่ก็ยังจะมีวัดมีสงฆ์อยู่เรื่อยๆให้มาทำหน้าที่ เป็นที่พึ่งของศรัท ธ, ธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราไปพึ่งหลวงพอ่อหลวงตาองค์เดียวเดี๋ยวท่านตายไปเราก็ไม่มีที่พึ่ง อ, อย่างพระพุทธเจ้านี้แม่ของพระพุทธเจ้าก็อยากจะถวายจีวรให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ถวายเป็นสังฆทาน อ, าอย่ามาถวายเราพยายามสามครั้งพระพุทธเจ้าก็บอกสามครั้งแล้วก็บอกเหตุผลว่าถวายให้เป็นสังฆทานจะทําให้ ศาสนาอยู่ได้ถึงห้าพันปีถ้าถวายให้เราคนเดียวนี่อยู่ได้แปดสิบปีก็หมดเพอาะเราตายศาสนาก็หมดเพราะถ้าถวายให้เราคนเดียวพระลูกอื่นไม่มีใครถวายเขาก็ไม่มบวชกันบวชแล้วมันไม่มีไม่มีจีวรใส่ไม่มีอาหารกินก็อยู่ไม่ได้เเราต้องทํานุบํารุงส่วนรวมอย่าไปเจาะจงใจเฉพาะบุคคลเอ เพราะว่าบุคคลนี้อายุมันจะพออายุหมดเขาก็หมดไปแต่ถ้าเร า, เาทำนุบารุงส่วนรวมอย่างนี้ก็จะมีตัวตายตัวแทนมาเติมมาเพิ่มอยู่ได้เรื่อยสงก็จะอยู่ต่อไปได้เรื่อยมีการบวชพระอยู่ได้เรื่อยพระเก่าพระแก่ก็ตายไปพระที่บวชใหม่ก็จะเริญเติบโตขึ้นมามาเป็นพระเก่าพระแก่ต่อไป มันก็มีการสืบทอดกันไปได้เรื่อยๆดังนั้นการถวายของให้แก่ส่วนรวมที่เรียกว่าสังฆทานนี้จึงเป็นประโยชน์มากกว่าการถวายให้กับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง <c oughs> ดังนั้นการถวายสังฆท า, านนี้ความหมายจริงไม่ได้อยู่ที่ของที่เป็นอยู่ในกระแปงสีเหลือง ของอะไรก็ได้ที่เป็นสมควรแก่สำนักบริโภคนี้ถวายได้เป็นสังฆท า, านได้หมดเช่นศาลาหลังนี้ก็สร้างเสร็จก็ถวายให้เป็นของสังฆท า, านไปไม่ได้เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่งมีไว้สำหรับทุกคนที่อยู่ในวัดนี้มาใช้ทำกิจกรรมร่วมกันได้โบเจดีกุตินี่ก็เป็นสังฆท า, านทั้งนั้นดงั้นของที่เราอยากถวายสังฆท า, านล้วก็ แจ้งไปกับทางวัดว่าขอถวายเป็นส่วนกลางไปส่วนรวมไปไม่ได้ถวายให้กับรูปใดรูปหนึ่งอันนั้นก็จองไปเป็นของส่วนกลางไปถ้าถวายให้เป็นรูปใดรูปหนึ่งท่านก็ไปใช้ตามอัตยาศัยของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาจะถวายเป็นสองรูปแบบก็ได้ส่วนหนึ่งก็ให้กับบุคคลอีกส่วนหนึ่งก็ให้กับส่วนรวมก็ได้นีน่คือความหมายของสังฆทาน ดังนั้นไม่ต้องไปยำเป็นอย่าต้องไปเอาเงินซื้อสังฆทานจากวัดแล้วก็เอามาถวายวัดอีกทีมันก็อัดยายขายอัดยายซื้อนมยายขายนมยายนี่แหละมันก็วนไปมันก็เล่นยี่เกยมันไปอย่างเดียวก็เอาเงินสดใส่ซองไปแล้วเขียนว่าขอถวายเป็นสังฆทานมันก็จบแหละมันก็ได้เหมือนกันแต่สังฆทานส่วนใหญ่ที่เราถวายกับพระนี่มันไม่ได้เป็นสังฆทานหรอกเพราะว่าพระรูปไหนมารับก็เป็นของพระรูปนั้นไปเห็นไหม มันก็ไม่ได้เป็นสังฆทานแต่แม้ว่าจะเป็นกระแปงสีเหลืองๆที่เราเรียกว่ากระแปงสังฆทานแต่ถาวายจริงๆมันก็เป็นของพระรูปนั้นไปแต่ถ้าตอนเช้าเรามาที่ศาลาวัดยาเนี่ยเราเอากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายเนี่ยมันเป็นสังฆทานเพราะพระจะเก็บไว้กินคนเดียวไม่ได้รับแล้วก็ตักแบ่งกันองค์แรกตักหน่อยแล้วก็ส่งให้องค์ที่สอ ง, องที่สองก็ตักหน่อยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเยอย่างนี้เ ร, เรียกว่าสังฆทาน อางารทานนี้จะเป็นอาหารสดอาหารแห้งก็ได้ส่วนใหญ่ควจะเป็นอาหารสดจะดีกว่าเพราะอาหารแห้งผ้าก็ฉันไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องไปจ้างให้เขามาทำอีกเนี่ยรอให้ญาติโยมมาทำให้ถ้าจะถวายอาหารถวายอาหารสดอย่าไปมามา่าปลากระป๋องเลยเต็ไมไปหมดในวันมีแต่มามา่าแต่กระป๋องผ้งาก็เพรนิดเดียวจะห่มจะนุ่งก็ไม่ได้เพราะมัน ถ้ามันถือใหญ่มันแพงเดแต่อยากจะถวายครบชุดมีทั้งผ้ามีทั้งอาหาร ม, มีปัจจัยสี่ครบหมด <c oughs> ก็ไต่อย่างนิดอย่างหน่อยใช้อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง <c oughs> สู้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าอยากจะถวายผ้าก็ซื้อผ้าตายไปชุดหนึ่งเลยอย่างอื่นไว้วันหลังก็ได้ เอาทีละอย่างถ้ามีทรัพย์น้อยวิธีที่จะมีทรัพย์มากก็หัดทำบุญทุกวันวิธีทำบุญทุกวันก็คือเอาเงินใส่กระปุกเงินทำบุญวันที่เราไม่ได้มาวัดเราก็เอาเงินใส่บาทที่เราจะใส่บาทแต่ไม่มีผ้ามาบินตบาทนี้เราก็ใส่กระปุกไว้เดี๋ยวพอถึงเวลาจะมาวัดโอ้มีเงินมาทำบุญเยอะเลยจะซื้ออะไรได้เยอะแยะเลย แต่ถ้าไม่เก็บไว้เลยไม่ใส่เลยใส่กระปุกเลยเอาไปเที่ยวหมดเอาไปกินหมดพอถึงวันเกิดจะมาทำบุญทำได้นิดเดียวายาวเลยวันนี้อคำถามต่อไป คำถามจากคุณแบล็กเบลูเวลานั่งสมาธิได้ยินเสียงนิดหน่อยจะตกใจง่ายมากแต่ดิฉันก็กำหนดรู้ว่ากำลังตกใจอยากทราบว่าที่ตกใจง่ายเป็นเพราะเอาจิตไปจดจ่อผิดที่คือจดจ่อที่เสียงแทนที่จะจดจ่อที่ลมหายใจหรือภาวนาค่ะ อ, อไม่หรอกใจเรายังไม่หนักแน่นพอกำลังของอุบเบกขาอยังมีน้อยอยู่ พออะไรมากระทบใจหน่อยมันก็จะมันก็จะสะดุ้งขึ้นมาแต่ถ้าใจมีอุเบกขามากๆใจที่เจอผ่านปัญหาหนักๆมาแล้วมันจะไม่ค่อยสะดุ้งหรอกเช่นผ่านความตายมาแล้วผ่านความเจ็บปวดของร่างกายมาแล้วนี่พออะไรมากระเทือนใจกระทบกระใจหน่อยมันจะไม่สะดุ้งคนที่ผ่านความตายมาเนี่มันเจอเหตุการณ์ที่มั น, นหนักหนาสาหัสกับจิตใจแล้วผ่านไปได้แล้ว ต่ออย่างนั้นมันจะไม่ค่อยสะดุ้งกับอะไรเท่าไหร่ที่เรายังสะดุ้งกันอยู่ก็เพราะว่าเราอุเบกขาของเรายังมีน้อยสติยังเบายัางน้อยปัญญายัางน้อยอยู่ถ้ามีสติปัญญามากๆนี้มันจะไม่สะดุ้งกับอะไรทั่านั้นคําถามจากคุณอัญญามณีสีฟ้าหาชีวิตเจอคู่เวรต้องทําอย่างไรให้หลุดพ้นคะก็นี้ก็อย่าไปอยู่ใกล้กันสิ ต่างคนต่างอยู่กันเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นเข้าไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาตรงนี้พุโทโธพุโทโธไว้เวลาเจอหน้ากันก็นพุโทโธพุโทโธเลือกคิดถึงอสุภะบ้างก็ได้ถึงครั้งคิดถึงเวลาเขาตายกลายเป็นผีบ้างแล้วอยากจะอยู่กับเขาหรือเปล่าถามทกคนแล้วค่ะวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้เฟ e บุ o k ช่วงช่วงแสดงธรรมจะมีอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะฮะตอนนี้มีอยู่ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับส่วน YouTube ตอนนี้มีอยู่เจ็ดคนคือคืออันนี้ฟังตลอดนะฮะเสียงเสียงอาจจะเบาหน่อยอครับตอนนี้ YouTube เราเครื่องขยายเสียงมันเสียเสียงมันเลยเบาคนเลยเข้ามาได้น้อยถ้าอยากจะฟังเสียงชัดเจนก็ต้องเข้ามาทางเฟซบุ๊ก มีคำถามไหมครับคำถามแรกจาก Facebook Live นะครับจากคุณไพโรธผมภาวนาพุโทโธแล้วรู้สึกจิตอึดอัดพอเปลี่ยนมารู้สึกกายและความว่างจะสบายกว่าแบบนี้ควรใช้สติระลึกกายแทนพุโทโธได้ไหมครับกระลึกกายก็ได้อาการ32หรืออาการใดอาการหนึ่งเช่นถ้าเราชอบระลึกถึงโครงกระดูกนี้เราก็นั่งหลับตาแล้วนึกถึงภาพของโครงกระดูกไป อันนี้แล้วก็จดจ่ออยู่กับภาพนั้นใจก็จะสงบวะได้เหมือนกันเรียกว่ากายกตาสติคำถามต่อไปจากคุณสิริวันครับถ้าเรามีอารมณ์เดียวเราก็เกิดชาติเดียวถ้าเรายังคุมไม่ได้หรือละไม่ได้ก็เกิดอีกหลายชาติใช่หรือเปล่าคะสาธุคือมันไม่ใช่อารมณ์ละมันอยู่ที่ตัณหาความอยาก ถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกอารมณ์มันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการมีความอยากคำถามต่อไปจากคุณพานุวัตรครับเมื่อเกิดทุกขเวทนาขณะนั่งทำอย่างไรครับก็นั่งต่อไปสิปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากแล้วมันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ที่มันทุกข์ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกาย ที่มันทุกข์เพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนเนริยาบทมันก็เลยทำให้เรานั่งไม่ได้เราก็ต้องอยากนั่งต่อไปเราก็จะนั่งได้แทนที่อยากจะลุกเราก็ต้องอยากจะนั่งต่อไปวิธีจะนั่งต่อไปได้โดยที่ไม่ทรมานเราก็ต้องควบคุมใจอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเหมือนกับที่เราควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงแฟนคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส เพราะถ้าเราคิดถึงแฟนคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเราก็อยากจะไปหาแฟนอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสนีแต่ถ้าเราไม่คิดใจเราก็จะเฉยจะว่างจะอยู่เฉยๆได้เห็นเวลาเกิดความเจ็บก็ให้บริกรรมพุโทโธไปอาจจะต้องให้มันถี่ขึ้นเร็วขึ้นเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บ หรือจะสวดบทอะไรก็ได้อีตีปิโซสวดอะไรไปก็ได้เหมือนตอนที่เราเจอผีเรากลัวผีแล้วก็สวดมนต์ไปพุทโธไปอย่าส่งใจให้เราไปหาผีพอตัดใจแล้ไม่ไปหาผีเราก็หายกลัวความกลัวมันเกิดจากการที่เราไปคิดถึงผีเองพอเราไม่คิดถึงผีมันก็ไม่กลัวตอนนี้เราคิดถึงผีกันหรือเปล่าไม่คิดใช่ไหมเราก็ไม่กลัวกันเนี่ยแต่พอไปอยู่คนเดียวมืดที่มืดๆธรร ม, ามชาติไปคิดกัน พอคิดมันก็เลยกลัวขึ้นมานี่แหละคือวิธีที่จะทำใจให้เราสงบทำใจให้เราอยู่กับสิ่งต่างๆได้ก็คือให้มีสติบริกรรมพุทโธให้ติทีเข้าไปอย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บอย่าให้ไปคิดถึงผีคิดถึงอะไรต่างๆแล้วใจเราก็จะอยู่เฉยๆได้แล้วใจก็จะสงบแล้วต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็จะไม่ทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่ทรมานคำถามต่อไปจากคุณพรครับการทำบุญทุกครั้งจำเป็นต้องกรวดน้ำใหม่เจ้าคะบางครั้งทำบุญสายบาทแค่อธิษฐานเอาแต่ไม่ได้กรวดน้าเจ้าคะการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำหรอกใช้กระแสจิตของเราเนี่ย เวลาเราทําบุญแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจเราก็อุทิศความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําที่เขาใช้น้ํากันเพราะเขาไม่รู้ว่ากระแสจิตเป็นยังไงเขาก็เลยให้เปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับกระแสน้ําเวลาที่เราอุทิศเราก็เทน้ําไป ความจริงขณะที่เราอุทิศนี้แล้วก็ส่งกระแสจิตไปให้แก่ผู้ที่รอรับอยู่แล้วดังนั้นจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่เราต้องอุทิศเราต้องกล่าวคําภายในใจอ่าข้าพเจ้าขอทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่นายกนายขอผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหากท่านรอกาลังรอรับส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมารับไปเถิดอย่างเงี้ยเขาก็จะรับไปได้ถ้าเราไม่อุทิศเขาก็นับไม่ได้ เหมือนกันเราไม่เขียนเช็คเขาก็เอาไปขึ้นไม่ได้เราต้องเขียนเช็คใส่ชื่อเขาแล้วเขาก็เอาไปเบิกได้ในสมัยนี้ไม่ต้องใช้เช็คโอนเงินผ่านมือถือได้เลยขอให้ได้หมายเลขบัญชีเขาชื่อเขาท่านนั่นเอง อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการที่เราโอนเงินผ่านมือถือก็เหมือนกับการอุทิศบุญนี่แหละเท่งแต่เราอุทิศให้คนเป็นนีคนชอบมาถามว่าจะอุทิศบุญให้คนเป็นทํำยังไงก็นี่แหละอุทิศด้วยมือถือขอบัญชีเข้ามาชื่อเข้ามาแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้บุญละได้เงินอย่างเราก็เป็นบุญนะขณะเป็นมนุษย์นี่เขาต้องการเงินเมื่อกว่ต้องการบุญเพราะเขาเอาเงินไปซื้อข้าวของกินได้เอาบุญกินไม่ได้ แต่ขณะที่เขาตายเนี่ยเงินกลับซื้อไม่ได้ซื้อข้าวของซื้ออาหารไม่ได้แต่บุญนี่กลับทาให้เขามีอาหารกินทาให้ใจเขาอิ่มได้ยังนั้นจะให้ของใครต้องดูฐานะเขาว่าตอนนี้เขาเป็นคนหรือเป็นผี <c oughs> ถ้าเป็นผีก็ต้องให้บุญถ้าเป็นคนก็ต้องให้เงินจากคุณอาร์ตครับเวลาบริการพุทโธ บางทีก็กำหนดตามลมหายใจบางทีก็คิดแบบไม่กำหนดไม่กาหนดตามลมหายใจแต่เวลาบริกรรมนานๆแล้วรู้สึกเหนื่อยครับถ้าเหนื่อยก็หยุดบริกรรมดูลมอย่างเดียวดูลมมันจะสบายกว่าแต่ตอนต้นถ้าจิตมันฟุง้งบริกรรมมันจะช่วยระงรับความฟุ้งได้ดีกว่าการดูลมแต่พอจิตหายฟุ้งแล้วเรารู้สึกบริกรรมแล้วเหนื่อยก็หยุดบริกรรมแล้วกด็ดูลมต่อไปแทน เหมือนขับรถเปลี่ยนเกียร์ตอนต้นรถจะออกก็ต้องใช้เกียร์ต่าพอรถเริ่มวิ่งได้แล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเกียร์สูงต่อไปจิตเวลาเราเริ่มสมาธิเริ่มนั่งใหม่ๆจิตเราฟุง้งเราคิดมากเพราะเราทำงานทำการเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอจะมานั่งจะให้มันหยุดคิดปุ๊บปับ๊บมันก็ไม่หยุดเราก็ลองใช้คาบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดเพื่อให้มันเหนื่อยแล้วมันจะได้หยุด พอมันหยุดมันพอมันเหนื่อยเราก็มันก็หยุดคิดพอหยุดคิดเราก็นั่งดูลมต่อไปได้โดยไม่มีอะไรมารบกวนคำ ถ, ถามจากคุณเพนนะครับการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลคนที่ทำไม่ดีกับเราแต่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับไหมคะคคก็บอกไปแล้วว่าต้องโอนเงินให้เขาเขาถึงจะได้ครับบุญเขาไม่เอาเขาจะเอาเงิน ถ้าเขาเป็นคู่อะไรกับเราเราอยากจะให้เขากลายเป็นมิตรเราก็โอนเงินไปเรื่อยๆย้อนโอนเงินไปทุกวันเดี๋ยวสักวันเนี่ยเขาวนรักเราเองครับคราบคำถามต่อไปจากคุณราตีครับผู้ที่เจริญสติแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อออกจากสมาธิก็เจริญสติต่อไปอย่างนี้โดยไม่ได้เจริญปัญญาการปฏิบัติเช่นนี้จะนําไปสู่ความหลุดพ้นไหมครับ ไม่หรอกก็จะทำให้เรามีสมาธิที่แน่นหนาที่ชำนานแต่ยังไม่หลุดเพราะว่ากิเลสที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ตายจากกำลังของสมาธิของสติมันเพียงถูกกดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าแต่หินนี่ไม่ได้ฆ่ายาให้ตายพอเอาหินออกยาวหญ้าได้น้ำมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่จิตเวลามีสติค ม, มันมันก็ความอยากก็หยุดไป แต่พอเราเพ้อสติมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทําลายความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเราเห็นว่าการทําตามความอยากเป็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่ทําต่อไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดไปหมดด้วยปัญญาหมดด้วยความรู้ความจริงรู้ว่า คนนี้ไม่ใช่ลูกเราเรายังไปหลงเลี้ยงเ้าทําไมคนนี้เป็นศัตรูเราเลี้ยงมันแล้วมันก็มากัดเรานี่เราจะไปเลี้ยงมันหรือเปล่าใช่ไหมแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นลูกเราเราก็เลยเลี้ยงมันเลี้ยงมันแล้วก็โดนมันกัดเลี้ยงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยทำตามความอยากที่ลายแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้ทุกทีเพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวเขาก็จากเราไปพอาจากไปเราก็ร้องห่มร้องไห้กัน ให้ดูว่านี่แหละเขาเป็นไม่ได้เป็นมิตรกับเราเขาเป็นศัตรูกับเราแต่เราไปมองเห็นความอย่าก็เป็นมิตรพอมาชวนไปไหนไปกันเลยกอดคอกันไปเลยไปเที่ยวไหมไปเลยไปกินไหมไปเลยไปดูหนังฟังเพลงไหมไปร้องรำทําเพลงไหมไปกันเลยแล้วพอกลับมาบ้านอยู่คนเดียวไปไงั้นเหงาไหมก็อยากจะออกไปใหม่ เนี่ยเกิให้เห็นด้วยความจริงว่าการทำตามความอยากนี่เป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วทําไมไม่อยู่ต่อไปพอได้ปัญญามันก็เออจริงนะอยู่กับสมาธิ ด, ดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากนะั้นมันก็จะไม่สามารถม า, มาดึงให้เราไปทำอะไรกับมันได้อีกต่อไป เราก็จะหลุดพ้นไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปธํามธรมต่อไปาจากคุณวิลาวันครับหากนั่งสมาธินานเวทนาเกิดเราบริกรรมแล้วสู้ไม่ไหวบางครั้งขยับสลับมานั่งพับเพียบความปวดคลายลงพอออกจากนั่งสมาธิแผ่เมตตาปกติแบบนี้จะถือว่าการนั่งสมาธิเสียหายไหมคะก็ยังไม่ผ่านไยังเจอข้อสอบก็อสอบตก ข้อสอบก็คือความเจ็บเรายังไม่สามารถปล่อยวางมันได้พอมันเจ็บแล้วเราต้องไปไปขยับมันเพื่อไปจัดการกับมันเราอย่าไปจัดการกับมันปล่อยให้มันเจ็บไปให้มันหายของมันเองถ้ามันจะหายเดียวมันก็หายเองมันไม่มีอะไรถาวรแม้แต่ความเจ็บมันก็ไม่ถาวรไม่สบายแล้วเดี๋ยวมันก็หายได้นั่งเฉยๆไปมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดียวมันก็หายของมันไปเอง แต่ถ้าเราขยับนี่แสดงว่าเราไปจัดการกับมันเราไปไปเปลี่ยนมันไปขยับมันทุกครั้งเจอมันเราก็ต้องขยับมันทุกทีอย่างนี้เราก็ยังจะไม่ผ่านถ้าจะผ่านก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันให้มันเกิดดับของมันเองเราไม่ต้องไปทำให้มันดับเพราะต่อไปมันจะมีเวลาที่เราไม่สามารถไปดับความเจ็บได้แล้วเราจะทำยังไงเราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์เพราะเราจะอยากให้มันดับ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีปล่อยให้มันดับของมันเองเราก็จะไม่เครียดมันจะดับหรือไม่ดับเราก็จะไม่เครียดจะไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางมันได้เฉะนั้นเราก็ต้องผ่านข้อสอบข้อนี้ให้ได้เวลานั่งแล้วเจ็บก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันหายไปเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าอยู่กับมันได้ต่อไปก็ไม่ต้องไปทาอะไร ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่อยากอยู่กับมันมันเราเกลียดคนไหนคนนั้นพอเจอกันนีไม่อยากจะเจอหน้ากันใช่ไหมพอเจอหน้ากันล้วโหยเครียดขึ้นมาเลยต้องหนีหนถึงจะสบายใจแต่ไปเจอกันทีไรก็เครียดกันทุกทีแต่ถ้าหัดทนอยู่กับเขาไปเอเขาอยู่ก็อยู่เขาเราก็อยู่ของเราไปทำใจให้เฉยๆไว้ต่อไปเราก็อยู่กับเขาได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหนีเขา หมดแล้วยังครับมีอีกครับ่าวาาคำถามจากคุณกัญญพรครับให้ทานสัตว์เดรัจฉานทุกวันอุทิศบุญกุศลได้ไหมคะได้ก็เป็นบุญเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณฟิกซ์ครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าอยู่ในร่างกายโปร่งๆจิตใจสบายเหมือนร่างกายกับใจแยกกันควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับควรปฏิบัติให้มากๆบ่อยๆให้นาน ให้แยกได้ตลอดเวลาแม้เวลาไม่นั่งก็ให้มันแยกกันคือให้เราปล่อยวางร่างกายให้ได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูร่างกายของเราเหมือนกับเราเป็นร่างกายของคนอื่นนร่างกายคนอื่นเราไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะแก่จะเจ็บจะตายเขาเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขาดั่นั้นร่างกายของเราก็ให้มันเป็นอย่างนั้น อย่าไปวุ่นวายไปกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไปเปลี่ยนเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแล้วเราไปวุ่นวายทำไมสู้ไม่วุ่นวายไม่ดีกว่าอถ้าเราเห็นความจริงเราก็จะไม่วุ่นวายคือเห็นว่ามันเป็นเป็นไม่ใช่เป็นเรามันเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายกายเป็นบ่าวคนใช้เราเราไม่ไปทุกข์กับเขามากใช่ไหม เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมากก็หายาให้เขากินถ้าเขาตายแล้วก็เอาไปเผาแต่เราไม่จะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจวุ่นวายใจแต่ถ้าเป็นลูกเราเป็นแฟนเราหรืเป็นตัวเราเนี่ยโอ้ยวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราะเราไปถือว่าเป็นของเรางนั้นอย่าไปถือว่าอะไรเป็นของเราเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วเราจะสบายใจคําถามเราไปจากคุณพิไลพรครับ การทำบุญผลบุญที่เราเคยทำไม่ว่าจะจำได้และไม่ได้จะเป็นทางดำเนินให้เราหลุดพ้นได้ไหมคะมันก็เป็นเหมือนกับอาหารที่กินไปแล้วอมันก็ทำหน้าที่ของมันไปแล้วหมดไปแล้วถ้าอยากจะทำให้มันมีนะดทำต่อก็ต้องกินใหม่กินข้าวไปแล้วเมื่อก่อนมันแล้วมันทำให้วันนี้อิ่มหรือเปล่ามันก็ทำให้อิ่มเมื่อวันก่อนนั้นวันนี้มันหิวก็ต้องกินใหม่ จิตเราก็เหมือนกันบุญที่เราทำในอดีตทำให้ใจเราสงบมันก็สงบไปแล้วปัจจุบันใจมันไม่สงบเราก็ต้องทำให้มันสงบใหม่ไม่ใช่ไปรอแต่ของเก่าที่เราทำแล้วเพราะมันทำหน้าที่ของมันหมดไปแล้วเหมือนกินยากินยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บคราวที่แล้วหายไปแล้วคราวนี้เป็นอีกก็ต้องกินอีกกินยา ม, มันถึงจะหาย ไม่ใช่ยาศาั ย, ยาเก่าที่เคยกินรักษาโรคขาวที่แล้วจะให้มันหายมันไม่หายแล้วมันคนละเรื่องกันแล้วคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวันดีครับขอโอกาสหลวงตาบรรยายขยายธรรมความยั่งยืนคือความไม่ยั่งยืนค่ะโอเวลานี้เราปัญญาลึกซึ้งมากเราคงจะไม่มีปัญญาที่จะไปยั่งถึงได้นะคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุรพลครับ ธรร ม, มานุสตินี้มีอะไรบ้างครับก็ทําทุกชนิดเนี่ยสติทำธรรมานุสติคิดถึงทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมานุสติยฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะระดับไหนระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาเรียกว่าเป็นธรรมานุสติทั้งนั้นคําถามต่อไปจากคุณจนันทร์สิริครับ เมื่อเรามาปรกวิเวกกลับบ้านไปบอกให้คนที่บ้านอนุโมทนากับบุญนี้จะได้หรือไม่คะก็แล้วแต่เขาว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรามาทําอะไรบางทีเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์ขนาดไหนเขาก็ไม่รู้จะไปอนุโมทนายังไ ง, งน้นก็อยู่ที่คนที่เขารู้หรือเปล่าว่าเราได้ไปทําอะไรมาถ้าเขารู้ว่าได้ทําสิ่งที่วิเศษสิ่งที่เลิศสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่เขาทําไม่ได้เขาก็จะอนุโมทนากับเรา แต่ถ้าไปบอกคนที่เขาไม่สนใจเขาไม่รู้เรื่องว่าไปอยู่คนเดียวมันได้อะไรเขาก็ไม่รู้จะอนุโมทนาอย่างไรก็ไม่จำเป็นไม่สำคัญเขาจะอนุโมทนาไมอ่อนุโมทนามันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนที่ของเขาคำถามต่อไปจากคุณตักกี้ครับ ผมทำแต่ทานทำสม่าเสมอและพยายามทำแต่ของดีๆแต่ไม่เคยได้ภาวนาเลยถ้ากลับมาเกิดอีกผลทานที่ทำไว้จะส่งผลด้านใดครับพระอาจารย์ถ้าเราทำทานแล้วเราไม่ทำบาปเวลาตายไปเราก็ไปเป็นเทศเป็นเทวดาแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเบิกเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญได้เอองินที่เราใช้กับการทาทานนี่เป็นเหมือนเงินเราฝากไว้ในธนาคาร ชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็มาเบิกคือเรากลับมาแล้วเราก็จะมีฐานะที่ดีกว่าชาตินี้เพราะนอกจากเงินเงินที่เราทําบุญนี้มันเข้าธนาคารมันมีดอกเบีย้ยด้วยไงพอกลับมาเกิดทําบุญร้อยบาทก็อาจจะได้คืนมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้เพราะกว่าจะมากลับมาเกิดเมื่อไหร่อาจจะเป็นอีกหลายร้อยปีก็ได้ยิ่นดอกเบีย้ยมันก็จะมากกว่าต้นนี่คืออนิสงส์จากการทําทานไม่ทําบา ตายไปก็ไปเกิดสวรรค์แล้วกลับมาก็จะมาได้เงินทองที่เราทําไว้ในชาติก่อน <c oughs> เช่นพระเวชสันดรท่านทําฐานมากในขณะที่เป็นพระเวชสันดรพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอท่านลงมาจากสวรรค์ท่านก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับสมบัติเป็นพระราชาโอรส นี่คืออ น, นิสงของการทำทานของพระเวชสันดรคำถามประไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับตอนไปภาวนาที่วัดปราป่าสถานที่สัปปายะนั่งสมาธิสลับเดินจงกรมไปตลอดวันมีอยู่สองครั้งจิตนิ่งเหมือนอยู่ในอวกาศมีความสุขขึ้นมามากที่ไม่เคยเจอในทางโลกแต่อยู่ได้ขนาดเดียวจิตก็ถอนออกมาสภาวะอย่างนี้เรียกว่าถึงอปนาสมาธิหรือ ย, ยังคะ ถ้าใช่ต้องนั่งจนกว่าจะได้สภาวะอย่างนี้ต่อเนื่องหรือเข้าสมาธิอย่างที่พระอาจารย์บอกได้ตลอดเวลาที่อยากจะเข้าถึงจะเจริญปัญญาหรือเปล่าคะคณะสมาธิแท้ได้แป๊บเดียวนี้ยังไม่เรียกว่าปัญหาเรียกว่าคณิกะคณิกะสมาธิจิตสงบแป๊บเดียวเหมือนเหมือนเหมือนจิ้งจกแลบลิ้นนะแป๊บเดียวงูแลบลิ้นไม่ใช่จิ้งจบ อ, อันนี้ ถ้าอยากจะให้เป็นดับปานาก็ต้องนั่งบ่อยๆแล้วฝึกสติให้มากขึ้นแล้วเวลานั่งต่อไปมันก็จะสงบได้นานพอสงบได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิขั้นต่อไปก็ต้องฝึกให้ชำนาญให้เข้าได้บ่อยๆเข้าได้ตามที่ต้องการเมื่อเราสามารถเข้าสมาธิเข้าอัปปนาได้อย่างต่อเนื่องเวลาเราออกจากสมาธิเราก็ไปเจริญปัญญาต่อได้ พอเวลาจเจริญปัญญาบางทีใจมันพิจารณาแล้วมันฟุ้งขึ้นมาเราก็จะได้กลับเข้าไปในสมาธิได้ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้ใจเราก็จะฟุง้งใจเราก็จะวุ่นวายได้ดังั้นก่อนที่จะออกทางปัญญาก็ให้มีความชำนาญทางสมาธิก่อนจะดีกว่าแล้วมีสมาธิมากๆมันจะมีกำลังเสริมให้เราต่อสู้กับ กิเลสตันหา ส, สู้กับความอยากได้เพราะการจเจริญปัญญาก็เพื่อมาสู้กับความอยากนี่เองแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขทางใจเราจะสู้กับความอยากไม่ได้พออยากจะดื่มกาแฟก็ไปแนละ้วแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟแล้วก็บอกไม่ไปก็ได้เราสุขกว่าแล้วเรามีความสุขจาก ความสงบที่ดีกว่าการไปดื่มกาแฟเราก็ไม่ต้องดื่มกาแฟก็ได้ง น, นเราต้องมีความสุขทางใจก่อนก่อนที่เราจะใช้ปัญญามาสู้กับความอยากทางร่างกายต่อไปได้หมดแล้วยังเหลือกี่ข้ อ, อมีอีกสี่คำถามครับแค่สี่นะเพราะชักจะเหนื่อยน ะ, ค, ะคำถามต่อไปจากคุณอาร์ตครับ เวลาปฏิบัติเริ่มแรกของพระอาจารย์เวลาท้อแท้พระอาจารย์มีความคิดให้กำลังใจตนเองอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ตนเองฮึดสู้กับการปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เห็นผลจากการปฏิบัติก็คือว่าถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราเี่ยขีว่ข้าวถ้าเราไม่กินใครจะมากินให้เราก็ต้องฝืนกินไปแล้วะก็ต้องฝืนปฏิบัติไปแหละคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณจากุณกรจากคุณกร น, น, นะครับ เวลากำหนดพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจตัวเราเริ่มหายใจเบาสั้นลงแล้วจิตของเราก็เริ่มไปกังวลกับลมหายใจแบบนี้จะต้องทำยังไงครับก็อย่า ก, กังวลเลยให้ดูดูลมตามความเป็นจริงมันจะสั้นจะยาวก็ปล่อยมันสั้นยาวไปตามเรื่องของมันเราไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับลมเราเพียงแต่มีหน้าที่ดูลมเฉยๆแล้วก็ดูไปเท่านั้นเองดูตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่ง อย่าไปวิตกวิจารกับลมแล้วมันจะทําให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาให้ดูเฉยๆแล้วมันจะไม่วุ่นวายใจมันจะสงบคํำถามต่อไปจากคุณสุภาพนะครับลูกนั่งสมาธิได้ชั่วโมงครึ่งเอาชนะได้แต่ความปวดเมื่อยแต่จิตไม่รวมเจ้าคะ่ะจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ไม่เป็นไรถ้าเราเอาชนะความเจ็บปวดเมื่อยได้ก็ก็ถือว่าเป็นผลที่น่าพึงพอใจ ถ้าใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราไม่กลัวความเจ็บต่อไปเราก็สบายเจ็บไายได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดรอออ้อนอีกข้อนี้ใช่ไหมครับข้อสุดท้ายครับจากคนกู้ภัยครับใส่บาตตอนเช้าไม่ต้องกรวดน้ํา ป, ปู่ยายตาเจ้ากรรมนายเวรได้รับไหมครับต้องอุทิศไงแต่ไม่ต้องใช้น้ำถ้าอยากให้เขาได้รับเราก็ต้องอุทิศเหมือนเขียนเช็ค ก, ก็ต้องเขียนชื่อเขา โอนเงินก็ต้องรู้จักเบอร์มือเบอร์บัญชีเขาถึงจะโอนส่งไปได้งั้นถ้าเราไม่ส่งเลยเราเรามีเงินแต่เราไม่โอนเงินไปให้เขาเขาก็ไม่ได้รับใช่ไหมเราทําบุญแล้วเราไม่อุทิศเขาก็ไม่ได้รับแต่เราไม่ต้องใช้น้ําเป็นสื่อเท่านั้นเองน้ํานี่เป็นเพียงเป็นเป็นหนังตัวอย่างเป็นให้เราเห็นภาพของกระแสบุญที่เราส่งไปว่าเป็นเหมือนกับกระแสน้ําที่เราเทลงไปเท่านั้นเองหมนแล้วนะ